บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในเรื่องของขันธ์ทั้งห้าประการที่เราเรียกว่าหมวดแห่งขันธ์ห้านั้นอันแท่จริงแล้วเป็นการศึกษาขันธ์ห้าในแนวที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นเพราะเม่อว่าโดยหลักของความเป็นจริง กายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีที่ศึกษามาแล้วโดยลำดับนั้นก็เป็นเรื่องของขันธ์ทั้งหประการแม้นิวรธรรมทั้งห้ า, า, ท, าที่ทว่าโดยหมวดของนิวรธมนั้นมก็คือหนึ่งในขันธ์หที่เรียกว่าสังขาระกรันเพราะว่าชีวิตของบุคคลเรานั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือเรื่องของขันธ์ห้าไม่มีอะไรอื่นไปจากขันธ์ห้า เพียงแต่ว่าในขั้นตอนของการศึกษาจะทรงสอนในแนวละเอียดหรือว่าแนวกลางๆหรือว่าแนวที่หยาบๆก็ได้ท่านี้ขึ้นอยู่กับพื้นอัธยาศัยของผู้ฟังเป็นประการสาคัญเพราะอะไรเพราะว่าโดยพื้นของจิตที่มีการกาหนดอารมณ์ของบุคคลทั้งหลายในโลกนั้นจะมีการกาหนดอยู่สองลักษณะด้วยกันที่ทรงใช้คาว่าถือโดยนิมิต คือถ <Workers>, ือเอาทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของเหล่านั้นว่าเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่ความปรารถนาความพอใจหรือไม่เป็นที่ตั้งแห่งความปรารถนาไม่เป็นที่ตั้งแห่งความใครายไม่เป็นที่ตั้งแห่งความจะพอใจหรือพูดง่ายๆว่าเป็นที่ตั้งแห่งความรักกับเป็นที่ตั้งแห่งความชังเป็นการมองรวบไปทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของเหล่านั้น ล, ลักษณะของการมองรวบนั้นก็จะกระจายออกไปโดยลําดับเป็นการมองคนอื่นและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยคนอื่นด้วยอํานาจความรักและความชังซึ่งกระจายออกไปทั้งสองด้านในด้านของความรักก็พร้อมที่จะกระจายตัวเองออกไปเช่นสมมติว่าไปปลูกฝังความพอใจในบุคคลใดบุคคลหนึ่งขึ้นมา ใจิตใจที่มีความกำนัดความพอใจในบุคคลนั้นเองก็จะนึกถึงคนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นขอให้เกิดความรักในพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงญาติวงศ์พงศาของบุคคลเหล่านั้นก็กระจายออกไปเรื่อยๆจนถึงชาติภูมิของบุคคลเหล่านั้นแต่ว่าจุดเริ่มต้นของความคิดก็คือมีความพอใจในบุคคลบุคคลหนึ่ง แต่พอดีบุคคลทั้งหลายตลอดถึงประเทศชาตินั้นเกิดไปเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นก็ทำให้เรารักบุคคลเราอื่นและประเทศของบุคคลนั้นตามไปด้วยในกรณีของความชังก็เป็นเช่นนั้นจะมีการกาหนดบุคคลอื่นและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับบุคคลอื่นเช่นเดียวกัน่นเกิดไม่พอใจในคนใดคนหนึ่งก็จะไม่พอใจในคนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงคนร่วมบ้านร่วมตำบลร่วมอำเภอร่วมจังหวัดร่วมประเทศกับบุคคลเหล่านั้นนั้นคือลักษณะของการไหลบ่าของกิเลสหรือไหลบ่าของอารมณ์ซึ่งบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเราเพราะในแนวการศึกษาในทางพระพุทธศาสนาก็ใช้เส้นทางของการกำหนดอารมณ์ของบุคคลทั้งหลายต่าเด่น เพื่อจะให้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงในอารมณ์เหล่านั้นตามสภาพที่เป็นจริงอย่างไรเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกตรงตามหลักเหล่านั้นแม้ในส่วนของบุคคลแต่และคนเองก็เป็นเชนั้นก็คือจะมีสิ่งที่เรียกว่าตนกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับตนคนนี้ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าอะไรก็าตามที่บังเกิดขึ้นในโลกนี้ หากาใจเรายังไม่มีความรู้สึกว่าเกี่ยวเนื่องกับเราหรือเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราแล้วความรู้สึกยินดียินร้ายก็จะไม่บังเกิดขึ้นแต่าการเบียดเบียนข่มเหงประทุสรายกันจะเกิดขึ้นอยู่ในส่วนต่างๆของโลกอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการเกิดขึ้นอยู่ทุกขณะมีเรื่องเป็นนั้นมากที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลย วความรู้สึกยินดียินร้ายความโศก ค, ความเสียใจเป็นต้นมันก็ไม่เกิดขึ้นครอบงำใจเราแต่ถ้าหากว่าใจบุคคลเอื้อมไปเกาะไปเกี่ยวข้องเอาไว้กับบุคคลกับสัตว์ท่างหลายเหล่าวดันมากขึ้นเท่าไหร่เวลาเกิดปัญหาแก่บุคคลแก่ัตว์เหล่านั้นความทุกข์ความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นติดตามมาเพราะเหตุว่าคนสัตว์เหล่านั้นเกี่ยวเนื่องอยู่กับเราเพรานี้อย่างที่เคยยกตัวอย่าง ที่พระพุทธเจ้ารับสั่งเกณฑนางวิสาขามาอุบาสิกานางวิสาขามาอุบาสิกานั้นแม้จะเป็นอาญาบุคคลระดับโซดาบันแล้วก็ตามแต่ความยินดียินร้ายนั้นเป็นอำนาจของกามราคะกับอำนาจของปฏิฆะพูดง่ายๆว่ากิเลสสายโลภะกับกิเลสสายโทสะพระญบุคคลระดับโสดาบนนันยังละ ก, กิเลสประเภทนี้ไม่ได้ เพียงแต่บันเทาควบคุมทิศทางของกิเลสเอาไว้ไม่ให้ไปกระทำความชั่วความผิดชนิดที่เป็นการผิดศีลได้เท่านั้นแต่ภายในจิตใจของท่านก็ยังมีความรู้สึกรัใคร่ ย, ยินดีพอใจเสียใจในอารมณ์ทั้งหลายอยู่เมือหนึ่งหลานของท่านได้ตายไปท่านร้องไห้เสียใจคํามอกฟ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้ารับสั่งถามว่าทําไมจึงร้องไห้หน้าเต็มหน้า น, านองไปด้วยน้ําตา นางก็กราบถุ น, นสุขซาว่พลานั้นเป็นที่รักของนางนั้นได้ตายจากไปนางก็เสียใจพระเจ้ารับสั่งถามว่าเธอคิดว่าเธอควรจะมีหลานทักเท่าไหร่นางวิสาขากราบทุนว่านางเองนั้นอยากจะให้คนในกรุงสาวัตถีทั้งหมดนั้นเป็นหลานของนางคือลักษณะของความคิดเพื่อสังเกตว่าจริงๆคนเหล่านั้นไม่ใช่หลาน แต่ว่าใจของนางไปเอื้อมมาให้เกี่ยวข้องกระนางเขาทำให้พระพุทธเจ้ารับสั่งต่อไปว่าคนในกรุงสาวัตถีนั่นตายกันวันละกี่คนนางก็บอกว่าไม่แน่เจ็คนบ้างสิบคนบ้าง20่สบคนบ้างก็ตายกันอยู่ทุกวันพระุทเจ้าจึงตอกย้ำให้เกิดความสํานึกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆหมายความว่าถาหลานของนางวิสาขาท่าน อยู่เต็มนครสาวัตถีจริงๆแล้วนางวิสาขาก็จะไม่มีวันหยุดร้องไห้ได้เลยท่า น, นี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าใจที่ไปเกี่ยวเกาะว่าลานของเราด้วยประโยคเดียววลาลานของเราแต่นั้ น, ลนและเราดันได้ตายอยู่ทุกวันเพียงแต่ว่าตายมากหรือตายน้อยร้องไห้อยู่ในขณะที่หลานคนดึกตายพอความโศกเริ่มสั่งสาลงไปหลานนี้คนดึงตายก็ร้องไห้ต่อไป ก็กลายเป็นมหากรรมที่ร้องไห้เป็นวัฏจักรทีุ่นวนกันไม่มีที่สิ้นสุดจุดที่ควรศึกษาก็คือว่าจิตที่เอื้อมไปกำหนดอารมณ์ด้วยความรู้สึกว่าเป็นของเราก็ได้ด้วยความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้ด้วยความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนของเราก็ได้ การกำหนดหมายในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับโคนกษัติกัต ส, สิ่งของนั้นจะก่อให้เกิดเป็นความยินดียินไรัยนำผลออกมาเป็นความสุขความทุกข์ความดีใจความเสียใจให้เกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งหลายเพราะแนวการสอนเรื่องขันท่าที่ได้นํามาแสดงโดยลําดับนั้นเป็นการสอนในลักษณะจําแนกให้ศึกษาขันท่าทั้งระบบหรือลักษณะ ของคัน5แต่ละคันลักษณะของรูปของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญานให้ศึกษาให้ทราบตามความเป็นจริงเพราะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารบิญญานนั้นแหละเป็นที่ตั้งแห่งความกับหนัดเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองเป็นที่ตั้งแห่งความรุ่มหลงเป็นที่ตั้งแห่งความบวบเมา จนถึงเวลแสดงเวลาแสดงทุกขสัตตนั้นทรงสรุปว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วจิตของบุคคลที่ไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านั้นเองเป็นความทุกข์ซึ่งหมายความว่าอย่างไงหมายความอาการห้านั่นแหละแต่ถ้าจิตบุคคลของบุคคลไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ความทุกข์มันก็ไม่เกิดจะตัวอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นก็คือบุคคลสัตว์เหล่านั้นที่จริงก็คือขันธ์ห้านั่นเอง แต่ถ้าเราไม่ไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นพวกเราเป็นศัตรูเราเป็นพวกของศัตรูเราเป็นพวกของพวกเราความรู้สึกยินดียินร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายความพิบัติของบุคคลเหล่านั้นเกิดขึ้นเราก็ไม่เสียใจความเจริญเติบโตของบุคคลนั้นเกิดขึ้นถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่เกิดทิสยาแต่ถ้าเรารู้ หากความจเจริญเติบโตตอนั้นเกิดขึ้นแก่คนนั้นเป็นทิรักของเราเราก็มีมุติตาถ้าเกิดขึ้นแก่คนที่เป็นศัตรูก็เราเราก็มีรทิ์สยามาังเกิดขึ้นภายในใจใจก็จะเข้าไปสู่อำนาจของกิเลสอีกต่อหนึ่งแต่นั้นจึงทรงศึกษาเห็นว่าที่จริงแล้วทั้งหมดนั้นมันไม่มีอะไรไม่มีสาระแก่นสารอะไรเพียงแต่การเกาะกลุ่มประชุมกันของ นามาลูก็ก่อให้เกิดเป็นรูปประคันขึ้นมานี่เรียกว่าประกอบด้วยินน้ำลมไฟอากาศมันก็กลายเป็นรูปประคันขึ้นมาในส่วนของนามก็คือส่วนของจิตก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยมีองค์ประกอบแล้วเกิดเป็นจิตขึ้นมาจิตมันก็มีความรักความชังมีความดีใจมีความเสียใจแล้วก็มีธรรมะได้ด้วยมีศรัทธามีอิริมีอัตตะมีสติมีสัมมาจัญยะมีคันติเป็นต้นตามสุ่งควรแก่ลักษณะของอารมณ์ในขณะนั้นๆ การสอนในลักษณะสืบสาวเพื่อต้องการให้บุคคลสามารถถ่ายถอนได้ท่านี้เป็นเพราะอะไรก็ต้องมองกลับมาที่จิตอีกทีหนึ่งว่าจิตของบุคคลเหล่อนั้นเมื่อผิดหวังในตรงหนึ่งแล้วจะไปคว้าตรงหนึ่งแล้วก็คว้าไปเรื่อยการคว้านั้นก็จะคว้าสรุปแล้วถ้าเทียบเป็นการก็จะคว้าไปในสามการพอผิดหวังในปัจจุบันอาจจะคว้าไปในอดีต ก็นี่พึงสังเกตได้ว่าคนที่เป็นผู้เท่าแล้วผ่านการผ่านเวลาม า, มากแล้วชีวิตของท่านเหล่านั้นประสบความสําเร็จความสุขการห้อมล้อมด้วยลาบยศสรนเสริญความสุขในช่วงหนึ่งแต่ว่าเป็นอดีตมันเกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วก็ดับไปแล้วในอดีตท่านไม่พอใจไม่ยินดีในสภาพชีวิตที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ความเสื่อมโทรมของร่างกายความมากวยโรคภัยไข้เจ็บการเคลื่อนไหวไม่คล่องแคล่วจำนี้จำนานขาดเปลื่นผ ง, งขาดฐานะชั้นยศตำแหน่งต่างๆที่เคยครอบครอกท่านไม่พอใจในปัจจุบันจิตก็วิ่งกลับเข้าไปสู่อดีตมีการกําหนดเรื่องอำนาจความกําหนัดในเรื่องอดีตเพลิดเพลิน อ, อยู่กับเรื่องอดีตอยู่กับเรื่องอดีตแม้จะพูดอะไรประเดียวนิดเดียวก็ย้อนกลับเข้าไปสู่อดีตแสดงว่าจิตไม่ยินดีในปัจจุบัน หมายความว่าจิตเกิดโทมนัสในปัจจุบันแต่ว่าจิตไปเกิดเป็นอภิชาในอดีตคือเพ่งเล็งโลภอยากได้ขอให้ย้อนคืนมาหวนคืนมากลับคืนมาซึ่งอดีตที่มันที่จริงมันก็ตายไปแล้วทีนี้คนบางคนนั้นยังไม่พร้อมในปัจจุบันมีส่วนบกพร่องมีส่วนขาดแคลนมีส่วนที่ตนจะต้องเพิ่มเติมอีกเป็นนันมากอดีตก็ไม่มีอะไรที่ควรแก่การไขว่คว้า เรายัางไม่ได้ประสบความสาเร็จอะไรในชีวิตทำให้คนรุ่นหนุ่มสาวนั้นคว้าอนาคตเพื่อให้เกิดอาการเสริมเติมเต็มขึ้นในจิตใจของเธอส่วนใดที่เธอขาดแคลนอยู่ในปัจจุบันก็จะปรารถนาที่จะให้ได้ให้มีให้เป็นขึ้นในอนาคตใจก็จะวิ่งไปสู่อนาคตเหล่านั้นเพราะการศึกษาเรื่องขันห้า่งสังเกตว่าจะให้ศึกษาหมดทั้ง3าการแม้ความขันห้าที่ปรากฏในขณะนั้นนั้น มารูที่รูปในขณะนั้นเวทนาในขณะนั้นสัญญาในขณะนั้นสังขารในขณะนั้นวิญญาในขณะนั้นอาจจะเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจเป็นที่กำหนัดหรือเป็นที่กัดเครืองนั้นก็เป็นลักษณะของจิตในแต่ละขณะเดี๋ยวให้มองย้อนกลับไปถึงเหตุเกิดซึ่งเป็นอดีตเหตุเกิดของขันธ์หแต่ละอย่างถึงเป็นอดีต เราก็จะพบว่าขาน่าแต่ละอย่างนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแล้วเหตุปัจจัยก็ไม่ใช่ดีเดอะไรอย่างรู ป, ปรขันก็เกิดขึ้นมาจากอาวิชชาตนาอุปาทานกรรมเป็นตัวสร้างให้เกิดเป็นรู ป, ปรขันเข็ดมาสร้างให้เกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณขึ้นมาก็กลายเป็นนามรูปมีอายตนะหรือตาหูจมกูกเล่นกายใจคิดมามีอายตนะตาก็เห็นรูปเป็นต้นก็เกิดเบล น, นาเกิมา พอเกิดเวทนาขึ้นมาก็มีการกำหนดเวทนาเรานั้นก็เกิดเป็นความสุขความทุกข์ขึ้นมาเกิดเป็นความสุขความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็จะเกิดตัญหาในกรณีที่สุขก็อยากจะให้สุขอยู่กับเราต่อไปอยากให้อยู่กันนานๆอยากให้สุขอยู่เรื่อยๆไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปโปรตไปแต่ประการใดพอสุขไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการเราเกิดโทมนัทเกิดโทมนัทก็เกิดพอเกิดโทมนัทขึ้นมาก็เกิดตัญหาอีกคืเกิดวิภวะปัญหา ต้องการ ใ, ให้โทมนัสเหล่านั้นหมดไปจากจิตใจของเราพอโทมนัสเหล่านั้นสงบไปเราก็ดีใจพอโทมนัสเหล่านั้นไม่สงบไปเราก็คับแค้นใจอีดอัดใจก็กลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นเป็นกระแสของจิตที่ไหลหมุนวนกันอยู่เป็นเชน่นนี้เพราะการสอนให้ศึกษาถึงที่มาของสิ่งแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นเป็นว่าที่มาของสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่มีสาระแก่นสารอะไร อวิชชาตันหาอุปาทานก็ล้วนแล้วแต่เป็นกิเลสทั้งนั้นกรรมก็แสดงว่าไม่เป็นกุศลที่สมบูรณ์ถ้าเป็นกุศลที่สมบูรณ์แล้วก็คงจะไม่ต้องเกิดอีกนี่แสดงว่ามีการมีบาปมีกุศลกระจุกเป็นอันมากแต่ก็ให้เกิดขึ้นพอมองทึงความดับรูปที่เกิดขึ้นแล้วก็มองทังความดับของรูปก็จะเห็นว่ารูปที่ยิงมีการดับอยู่ทุกขณะ ไม่ว่าจะเป็นรูปของคนของสัตว์ของสิ่งของหรือรูปของเราเองก็ที่จริงก็มีการดับอยู่ทุกขณะที่ต้องใช้คำว่าคณิกะวรรณะคือตายอยู่ทุกขณะเสนต่างๆนั้นได้ตายลงไปท่านต่างหลายได้ศึกษาเรื่องชีววิทยามาแล้วก็จะเห็นว่าเสนต่างๆในร่างกายที่จริงก็มีการเกิดดับเกิดดับก็ตายกันไปเรื่อยๆและตายที่เราเห็นได้ชัดเช่นผมร่วงลงมาหนังตายผิวตาย ความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราแม้อาหารที่ ร, รับประทานเข้าไปก็มีการเปลี่ยนแปลงจากอิ่มเป็นอิ่มน้อยลงแล้วก็กลายเป็นหิวหิวแล้วก็อิ่มอิมแล้วก็อิ่มน้อยลงอิ่มน้อยลงก็กลายเป็นหิวเป็นวัฏจักรที่แก้กันไม่ตกสักทีหนึ่งี่ก็คือลักษณะของรูปซึ่งว่าที่จริงเขาก็แตกดับของเขาอยู่ทุกขณะแล้วในที่สุดก็กลายเป็นการแตกดับการแตกดับในการสอนนั้นพึงสังเกตว่าจะสอนหลายระดับด้วยกัน อาจารย์สอนเอาเฉพาะระดับใด ร, ระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าทําอย่างไรคนจึงจะเกิดทําใจให้ยอมรับถึงความจริงของรู ป, ปรขันที่จะต้องแตกดับรูปคนอื่นก็ต้องแตกดับรูปเราก็เกิดก็จะต้องแตกดับชีวิตของเราดันจบลงที่การแตกดับเป็นการแตกดับเป็นการแยกสลายอย่างสิ้นเชิงคือดินก็ไปสู่ดินน้ําไปสู่น้ําลมไปสู่ลมไฟไปสู่ไฟอากาศไปสู่อากาศ ปสิตตติวิญญาณอาศัยกิเลสกับกรรมนำไปสู่สังสารวัฏตามการจำแนกของกรรมซึ่งหยาบบางกลางบางประนีตบ้างก็กลายเป็นภพชาติต่างๆขึ้นมาถึงสามสิเบเอภพอย่างที่ได้ทรงแสดงเข้าไปดังนั้นความดับของรูปบางครั้งก็ให้มองไปที่เอาค น, คนๆกันเลยเอาคนตายสัตว์ตายใบไม้ตายต้นไม้ตา ย, ตตายอะไรก็ตามที่มันตายตาย เอามาเป็นมร ส, สติเพรา ะ, ะนั้นสาธุชนทั้งหลายจะเห็นได้ว่าในตัวรูปประขันเองนั้นยังมีกลายเป็นอารมณ์ของกรรมฐ า, านอีกเป็นนั้นมากคือแยกตัวเองออกไปเช่นเป็นกายานุปัสนาสติปฐานเป็นอายตนาปภ ะ, ะเป็นมนัะ ส, สติเป็นกายกตาสติเป็นอนาานาปานสติเป็นต้นนะมันก็ไม่เรียนอะไรเรียนจากรูปรูปประขันนั่นเองเพียงแต่ว่าย่ อ, ย อ, อไปอีกทีนึง เอาปฏิบัติกันขนาดนี้พอ เ, เข้าใจได้ไหมเข้าใจได้ก็ไปกันขนาดนี้เลยไม่ได้เจาะจงลงไปว่าจะต้องเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะจุดที่ทรงเน้นจริงๆก็คือว่าทํำยังไงก็ได้ให้ตัณหาที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นที่เกิดแล้วมีความเสื่อมไปลดละจางกลายบรรเทาประบางลงไป อน้อยังแนวการมองถึงมรณ ส, สติก็คือมองการดับของขันเพื่อมองเห็นว่าชีวิตของบุคคลเรานั้นนอกจากว่าดับอยู่ทุกขณะแล้วความตายยังเปิดเกิดบังเกิดขึ้นแก่บุคคลที่ท่าเรียกว่ากาละรณนะคือตายในคราวที่จะต้องตายทํำยังไงยังไงก็ต้องตายไม่มีใครสามารถที่จะแก้ไขได้เรียกว่าหมดสิ้นโดยประการทั้งปวงอาหารก็หมดบุญก็หมดอายุก็หมดเรียกว่าหมด ชีวิตของบุคคลเหล่านั้นก็ต้องตายแต่ในช่วงนี้แหละบางครั้งมันก็กลายเป็นเรื่องที่เพิ่มเติมขึ้นอีกทีหนึ่งว่าในกรณีที่อายุหมดหมดนั้นบางทีก็มีการต่ออายุขึ้นมาได้เช่นท่านล่าถึงพระรูปหนึ่งเขาบอกว่าจะต้องตายในวันนั้นวันนี้แต่ก็หมดอะไรตายอยากในชีวิตที่เร่งแก่ทาความเปลียนว่ายังไงยังไงก็ตายแล้ว เดินไปไปเจอปลาไปติดอยู่ในนอ้องซึ่งกำลังจะแห้งก็เกิดสงสารว่าเราก็จะตายและปลานี้ก็จะตายดย้วยยังไงยังไงก็ไปช่วยปลาวยก่อนลงไปจับปลาในหน้องลงไปปล่อยในคลองปรากฏว่าถึงวันจะตายขึ้นมาเกิดไม่ตายกรสอบถามทราบความขึ้นมาเป็นเช่นนั้นก็จะแดงให้เห็นว่าเรืยบาน่าของกุณกุศลกรรมถ้าหากว่าตามมาทันได ก็มาช่วยแก้ในตัวอายุที่เป็นหมดได้เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งนี้การทานั้นเป็นบุญบุญเมื่อไงเป็นตัวสร้างอายุที่เราเรียกว่าอายุวัโนสุขังพลังคือทําให้บุคคลเราจเจริญด้วยอายุด้วยวนันณะด้วยสุขด้วยกําลังต่างๆบางครั้งก็เป็นอาการลามระคือตายในคราวที่ไม่ควรตายเห็นตายด้วยความพยายามของบุคคลอื่นบ้าง คนอื่นฆ่าเอาบ้างหรือฆ่าผิดตัวบ้างหรือประสบอุบัติเหตุบ้า ง, าางหรือบางทีก็ด้วยความเผลอเรอความประลาดความลงลืมของตัวเองก็เป็นอาการาับผนหะแต่จะตายในการที่ควรตายหรือการตายในการที่ไม่ควรตายก็าตามก็คือตายเป็นการแสดงถึงอะไรแสดงถึงชีวิตที่หานิมิต s หาเครื่องหมายที่แน่นอนอะไรไม่ได้ว่าจากจากจุดเกิดถึงจุดตายนั้นมันห่างกันเท่าไหร่ ในการตายทุกขณะนั้นแน่นอนจุดเกิดกับจุดตายนั้นมันติดต่อกันไามีความเปลี่ยนแปลงมีการเสื่อมสลายไปของเซนต่างๆไปในร่างกายแสดงบทสุดหนึ่งก็งร่างกายก็ได้ตายไปแต่ความตายคือการแตกทําลายของชีวิตตินทรีย์นั้นจะเกิดในช่วงไหนเกิดเมื่อไรเกิดอย่างไรนั้นไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้พระเจ้าจึงไม่ได้สอนเน้นในเรื่องที่เป็นอนาคตแต่จะสอนเน้นเฉพาะปัจจุบัน ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าความตาจะเกิดขึ้นเมื่อไรน่เราก็ไม่รู้แต่ในขณะนั้นก็ยังไม่เกิดทำยังไงที่เรียวแรงความเปลี่ยนพยายามสติสัมปชัญญะยังมีอยู่ให้บุคคลได้ใช้การโอกาสเหล่านั้นเสริมสร้างคุณธรรมความดีขึ้นเสริมสร้างบุญกุศลให้มากยิ่งขึ้นอย่างนี้ท่านแสดงไว้ว่าชีวิตนั้นถูกชารานาไป อายุเล่าก็สั้นได้กันคนเราดั้นมีความตายรออยู่ข้างหน้าบุคคลผู้มองเห็นภัยที่เกิดขึ้นจากความตายควรจะรีบแกล้งกระทําบุญซึ่งนําความสุขมาให้เพรา ะ, ะเราจะเห็นว่ากระบวนการของชีวิตจะสั้นขนาดไหนจะยาวขนาดไหนเราไม่รู้แต่ว่าเราเดินเข้าไปสู่ความตายอยู่เท่กันนั ความตายจะปรากฏตัวเมื่อไร่ในลนจจักษณะอย่างใดปรากฏที่ไหนไม่มีใครทราบได้เพราะสิ่งที่จะทําได้ก็คือว่าเมื่อความตายคุกคามหยุดนั้นท่านสอนให้ทําบุญซึ่งนําความสุขมาให้เพราะอไรเพราะว่าเอาจริงๆร่างกายแกจะตายหรือไม่ตายเราก็เอาแกไปไปด้วยไม่ได้แกเป็นสังขารที่จะต้องแยกสลายไปตามธรรมชาติของแก สิ่งที่จะติดตัวไปได้หรือสิ่งที่ติดจิตไปได้จริงๆก็คือบุญที่นาความสุขมาให้หรือบุญกุศลที่จึงบาปมันก็ติดตัวเหมือนกันแต่ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรแต่นั้นท่าก็สอนให้ทําบุญที่นําความสุขมาให้เป็นการสอนในแนวที่เราเรียกว่าวัตกรรมมีกุศลมุ่งผลเป็นความสุขความสงบความประณีแตแห่งภพชาติสําหรับูุ ค, คลผู้นั้นแต่ไม่หลุดพ้นจากสังสารวัฏ พระเจ้าจึงทรงแสดงเพิ่มเติมขึ้นในจุดนั้นเองโด ย, ยทรงใช้ถึงสภาวะที่แท้จริงของชีวิตเหมือนกันว่าชีวิตนี้ถูกชรานําไปใกล้ใกล้อะไรใกล้ความแก่ใกล้ความเจ็บใกล้ความตายคือนําไปเรื่อยๆเพราะทุกขณะมันก็มีแก่อยู่ทุกขณะที่จริงเจ็บมันก็มีอยู่ทุกขณะตายมันก็มีอยู่ทุกขณะอายุจึงสั้น แม้ในระหวงคนกับคนเทียบกันแล้วก็อายุสั้นอายุไม่สั้นและระหว่างคนที่อายุยืนกับอายุของเทวดาคนยิ่งอายุสั้นเทวดาต่ตางชั้นกันอายุยาวไม่เหมือนกันเพราะงั้นเทวดาชั้นที่ต่ํากว่าอายุก็จะน้อยกว่าเทวดาชั้นสูงกว่าเทวดาชั้นต่ํากว่าก็กลายเป็นอายุสั้นสมับเมื่อเทียกบกับเทวดาแต่ชั้นสูงขึ้นไปเ ร, เรื่อยๆเพราะงั้นยังไงยังไงอายุเราก็สั้นอยู่ดี ดังนั้นคนที่มองเห็นภัยในเพราะความตายซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อไรก็ไม่รู้ดังกล่าวเรามุ่งสันติมุ่งความสงบก็ทรงสอนในละเหยื่อของอมิตหมายความว่าอย่าปล่อยกายปล่อยจิตให้ไปยอมสยบอยู่ด้วยอํานาจของกาบมะุณทั้งหลายแม้ตกเป็นธาตุของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของสัมผัส จนใจต้องไปกำหนดว่าหน้าครหน้าปรารถนาหน้าพอใจหรือไม่น่าใครไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจดังกล่าวเพราะเลยเพราะแกการกำหนดอารมณ์ในลักษณะนั้นเป็นการเพิ่มพลังให้แก่กิเลสสองกระแสที่ทรงมุ่งหมายสั่งสอในให้บุคคลลดละบรรเทาสงบระงับดับไปคือพิชาวความเพ่งเล็งโลภอยากได้โทมนัสความขัดเคืองความไม่พอใจความเสียใจ พูดง่ายก็คือกิเลสสายโลภะกับกิเลสสายโทสะพระพาทว่าบุคคลมองถึงผลที่จะเกิดเป็นความสุขความสงบก็ทรงใช้กันว่าผู้แข่งสันติมองสันติคือความสงบพึงละโลกามิตเสียอามิตรคือเหยื่อในโลกก็ไม่อื่นไปจากสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิน่นเป็นรสเป็นสัมผัสดังกล่าวแล้วนั่นเองแต่ก็จริงแล้วในภาคของการปฏิบัติ คนเรามีความจำกัดในตัวของเราเองพื้นฐานวาสนาบา ร, รมีที่มีมาในอดีตความเพียรพยายามในปัจจุบันความพอใจความเพียรพยายามการติดใจจดจอ่อการใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุผลเป็นต้นในปัจจุบันนั้นเราไม่ทัดเทียมกันพันธทํายังไงบุคคลจึงจะละเยื่อคืออามิตรในโลกลงไปเกิดความสงบในระดับใดระดับหนึ่ง จึงสังเกตว่าการปฏิบัติระดับศีดนั้นแสดงให้เห็นว่าคนที่เราเมิดศีดตกเป็นทาสของอมิตร ย, ยอมสยบอมิตรถูกเผือกปราศัยเสือสายไปด้วยอํานาจของความปรารถนาในอมิตรเหล่านั้นจนถึงไปฆ่าเขาจนถึงไปลักของเขาจนถึงไปล่วงเกินในคู่ครองของเขาจนถึงก็โกหกจนถึงก็ดื่มสิ่งเสพติดทต่างๆความสงบก็ไม่เกิดขึ้น แต่พอบุคคลมีการสำรวมระวังในชั้นศีลซึ่งแสดงเห็นว่าก็เกิดสันติระดับหนึ่งที่เราเรียกว่าสงบเวรสงบไข่เราก็คงจะมีความโลคความโกรธความหลงอยู่แต่ควบคุมความโลคความโกรธความหลงเอาไว้ไม่ถึงกับไปฆ่าเขาไม่ถึงกับไปลักของเขาไม่ถึงกับประพฤติผิดในคู่ครองของเขาไม่ถึงก็โกหกไม่ถึงกับตกเป็นท่าของสิ่งศสิทธิดความสงบก็เกิดขึ้นระดับหนึ่ง แต่พอมาระดับสมาธิมันก็มองถึงชีวิตในแนวของมโนสติคือในแนวของความไม่เที่ยงเปื่สังเกตว่าท่านสอนในแนวให้เห็นว่าเป็นอนิจจตาเกี่ยวามไม่เที่ยงเพราะนก็มองสังขารร่างกายต่างๆจะเป็นร่างกายของเราร่างกายของบุคคลอื่นหรือว่าวัตถุสิ่งของอะไรก็ได้ที่จริงไม่ใช่ตัวสำคัญ เ, เพราะจากหลักฐานตัวอย่างบุคคลในสมัยพุทธกาลบางทีต้องก็ดูกระจก ดูทองเหลืองดูอะไรที่มันขัดไว้ดีๆแล้ววางไว้หน่อยเดียวมันผุดมันจับเครือไปหมดเลยถ้าก็มานั่งมองดูแล้วก็เทียบทองเหลืองกับใจของท่านปอใจที่ไม่มีการขัดเกลว์หรือขัดเกลวไปแล้วแล้วก็ทิ้งไว้เลิกขัดเกลวในที่สุดจะคุนประเศร้ามองเหมือนกับพระชนะที่ทำด้วทองเหลืองซึ่งท่านขัดไว้แววับแล้ว วางไว้ไม่นานสนิมก็ขึ้นปูนก็จับเกลอไปหมดเลยในที่สุดก็มาตรวจสอบรูจิตของตัวเองบางทีท่านจะเรียนจากใบ ไ, ไม้กระแสน้ำจากน้าค้างจากพยับแดดจากเมฆหมอกอะไรเนี่ยคือสรุปว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของกรรมาฐานได้เพราะอะไรเพราะเขาเป็นรูปประคันพวกเหล่านั้นก็เป็นรูปเหมือนกันเป็นกองรูปเหมือนกัน เพราะอะไรทําไมจึงเรียวกว่ากองรูปเพราะเราเห็นด้วยตาเราได้ยินด้วยหูเราสูดดมด้วยจมูกเราลิ้มด้วยลิ้นเราถูกต้องด้วยกายเพราะงั้นเขาก็เป็นกองรูปหรือรูปประคันเช่นเดียวกันก็กลายเป็นอารมณ์ของกรรมฐานแทนรูปกายของเราก็ได้ตัว อ, อย่างที่ท่านสอนในพิจารณาเวลาเกี่ยวข้องกับงานศพงานคนตายอะไรต่างๆเอ า, าสากศพเหล่านั้นมาเป็นครูพิจารณาว่า สังขารทั้งหลายนั้นเป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นแล้วมีการเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาการสามารถทำจิตให้สงบระ ง, งับด้วยความรู้สึกว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราใ น, าาาาในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นได้ก็จะเป็นความสุขนี่แสดงเห็นว่าทำจิตให้สงบได้ในขณะนั้นนั้น รอยวางได้ในขณะนั้นๆก็จะสัมผัสความสุขได้ในขณะนั้นๆแต่ข้อปฏิบัตินั้นก็จะมีความประนีตขึ้นไปโดยลาดับจนถึงความสุขสูงสุดที่ท่านเรียกว่านัตติสันติประรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทงความสงบสุดต่อ